sat 7 4 กำกลังอยู่กับช่วงเวลาของรายการส่วนอักษรนะคะมีดิฉันอัญชีสาลิกิตที่รุ่งเรืองทําหน้าที่ดํานรายการแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนําหนังสือดีๆมาอ่านให้ฟังนะคะแล้วก็มีคุณสาธิธรกวงคดีหลกนะคะช่วยนําเพลงบรรเลงเพาะๆมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังในยามเช้าๆค่ะเราจะมาอ่านผลงานของท่านอาจารย์สุชีปีกเล่มหนึ่งนะคะที่ดิฉันนํามาอ่านคู่กันนั่นก็คือหนังสือใต้ร่มกาสาวพัฒนะคะเป็นผลงาน นวนิยายอิงหลักธรรมเล่มแรกของท่านอาจารย์แล้วก็ภรรยาท่านอาจารย์ได้นำมาจัดพิมพ์เป็นที่ะระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพของท่านอาจารย์นะคะเมื่อวันที่27สิบเจ็ดสิงหาคมสองพันร้อยสี่สิบสามเพื่อแจกเป็นธรรมทานนะคะเราอ่านเรื่องใต้ร่มกาศาวพัฒน์นะคะถึงบทที่หกแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ อะไรเป็นชื่อบทนะคะดูก่อนผู้นี้ระชุมมันดาบิดาของข้าพเจ้าท่านแสดงอาการประหนึ่งว่าใครจะมาควักเอาดวงใจไปในขณะที่ข้าพเจ้าคลานเข้าไปกราบแทบเท้าขอลาออกบรรพชาในพระศาสนาท่านพยายามห้ามปรามชี้แจงว่า ข้าพเจ้าเป็นบุตรคนเดียวที่รักดังดวงตาของท่านถ้าจากไปก็จะเป็นเหตุให้คิดถึงว้าเวและอะไรอย่างเหลือที่จะประมาณได้มารดาของข้าพเจ้าถึงกับสะอื้นและพร่ำพรรณนาถึงความทุกข์ยากในเพศบรณชิตซึ่งคนอย่างข้าพเจ้าน่าจะทนไม่ไหวท่านว่าเวลาต้องการของร้อนก็ จะได้ของเย็นหรือเวลาต้องการของเย็นก็จะได้ของร้อนการกินอยู่นุ่งห่มอย่างแร้านแค้นนั้นไม่น่าที่ข้าพเจ้าจะยินดีเลยก็ตอนพรหมจรรย์ น, นี้เพื่ออะไรก็เป็นบทต่อจากบทที่แล้วนะคะที่เป็นเรื่องราวของบุตรในตระกูลเศรษฐีที่เล่าให้ฟังว่าเข้ามาสู่ใต้ร่มกาสาวพัดอย่างไรให้องค์คุริมันฟังนะคะ ท่านยกมือขึ้นรูปศีรษะข้าพเจ้าด้วยความการุณาแล้วกล่าวว่าเชื่อแม่เถอะนันทิยะสมบัติของเรามีพอที่จะให้ความสุขจนตลอดชีวิตเวลานี้พ่อและแม่ก็ชะลาแล้วถ้าเจ้าบวชเสียแล้วใครเล่าจะปกครองสมบัตินี้ต่อไปภายภาคหน้า ดูก่อนพระดาข้าพเจ้ากราบท่านอีกครั้งหนึ่งแล้ววิงวอนขออนุญาตตามความประสงค์เดิมด้วยถ้อยคำเท่าที่นึกได้ในขณะนั้นในเรื่องความลำบากยากเข็นข้าพเจ้าอ้างถึงพระผู้มีพระภาคและกษัตริย์สุ ข, ขุ ม, มานชาติอื่นๆเช่นพระนันทะพระอานนทและพระอนุรุษเป็นต้นให้เห็นว่าท่านเคยได้รับความสุขสะดวกยิ่งกว่าข้าพเจ้า ท่านก็ยังอยู่ในสมณะเพศได้หรือถ้าจะพูดถึงทรัพย์สมบัติท่านที่กล่าวมานี้ก็มียิ่งกว่าข้าพระเจ้ามีโดยเฉพาะพระผู้มีพระภาคนั้นทรงสละสมบัติบรมจักรซึ่งนับว่าเป็นการเสียสละอย่างใหญ่หลวงเพื่อความบริสุทธิ์ความพ้นทุกข์ความไม่เกิดอีกและเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกอันเป็นผลที่มีค่ายิ่งกว่าสมบัติซึ่งทรงสละนั้น ส่วนเรื่องที่เราจะต้องแยกกันอยู่ตามวิสัยของคารืหัดและบรรพชิตนั้นถ้าถือว่าเป็นความพัดพลากแล้วก็ยังมีความพัดพลาดอีกอย่างหนึง่งซึ่งแม้เราจะอยู่ในชายคาเดียวกันก็หนีไม่พ้นสิ่งนั้นคือความตายและความตายนี้เป็นความพลัดพลากที่จะทําให้เราไม่ได้พบกันอีกต่อไปการจากไปบรรพชาอุปสมบทเป็นการไปเพื่อแสวงความไม่ต้องเกิดอีก ซึ่งจะอำนวยผลคือความไม่ต้องตายอีกเป็นการจากไปเพื่อความดีมีศีลมีกัลยาณธรรมเว้นความเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นความสุขทางกายนั้นยังไม่ใช่ความสุขที่แท้ถ้าภายในยังเดือดร้อนด้วยอำนาจความละโมบความอาฆาตโกรธเคืองและความหลงไหลมวัวเมาแล้ว แม้จะสวยสุขอยู่บนที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มก็ไม่ผิดอะไรกับอยู่บนกองเพลิงแต่การออกบวชเป็นการสแสวงสุขทางใจคือความระงับเพลิงกิเลสนั้นนั้นความสุขซึ่งเกิดแต่ความสงบระงับภายในนี้จึงนับว่าเป็นสุขที่แท้จริงนันทิยะมีดาของข้าพเจ้ากล่าวขึ้น เจ้ากำลังจะสอนพ่อแม่ทั้งที่เจ้ายังไม่ทันได้บวดเจ้าว่าการไปบวชเป็นการไปทำความดีนั้นหมายความว่าถ้าไม่บวชแล้วทำความดีไม่ได้เช่นนั้นหรือเจ้าอยู่อย่างนี้จะทำความดีเช่นให้ทานรักษาศีลหรืออะไรอื่นอีกก็ได้ใครไปขัดขวางเจ้าไว้ทำไมจะต้องไปทำความดีที่อื่นด้วยถ้าต้องการทาความดีแล้วก็ไม่เห็นมีข้อที่จากัดว่า จะต้องเป็นคฤรืหัดมันพชิดหรือจำกัดการเวลาสถานที่อะไรเลยฉะนั้นพ่อจึงยังไม่อนุญาตให้เจ้าบวชมารดาของข้าพเจ้ารีบเสริมทันทีว่าจริงทีเดียวนันทียะเรื่องทำความดีนี้ทำที่บ้านเราก็ได้แม่ไม่เห็นว่าจะต้องจำกัดสถานที่หรือเพศถึงกับเจ้าจะต้องออกบวชเลย ดูก่อนพระดาข้าพเจ้ากำลังเผชิญกับปัญหาสำคัญซึ่งท่านบิดาและมารดายกขึ้นมาเป็นข้ออ้างในการไม่อนุญาตให้ข้าพเจ้าบวชแต่ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะบวชให้ได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงต้องคิดหาทางแก้ปัญหานี้เพื่อให้ได้คิดทบทวนตามกระแสพระธรรมเทศนาซึ่งข้าพเจ้าสดัมาก่อนหน้านี้เล็กน้อยแล้วข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า ความดีนั้นทำได้ไม่จำกัดสถานที่และเพศคฤรืหัดบรรปชิตก็จริงแต่สถานที่และเพศนั้นต่างหากที่จำกัดความดีคือสถานที่ซึ่งละคนไปด้วยอารมณ์อันจะยั่วให้เกิดความโลภความโกรธย่อมทำให้สแสวงหาความดีได้น้อยกว่าสถานอันห่างไกลจากอารมณ์เช่นนั้นเพศบรรปชิตเป็นเพศที่พรากพน้น จัดความกังวลห่วงใยและกามซึ่งเป็นของสาทานสำหรับคฤริหัดทั้งหลายจงเป็นโอกาสที่จะสแสวงความดีทางจิตใจได้มากกว่าเพศคฤริหัดเปรียบเหมือนน้ำถ้ามีภาชนะจะใส่แล้วก็ไม่จำกัดว่าจะเป็นภาชนะน้อยใหญ่โศโครกหรือบริสุทธิ์สะอาด เมื่อใส่น้ำได้น้ำก็จะอยู่ในภาชนะทุกอย่างนั้นแต่ภาชนะต่างหากที่จํากัดน้ําคือภาชนะใหญ่ก็ขังน้ําไว้ได้มากถ้าภาชนะเล็กก็ขังน้ําไว้ได้น้อยภาชนะโสโครกก็ทําให้น้ําไม่สะอาดหรือเปรียบเหมือนพืชอันบุคคลอาจให้งอกขึ้นได้ในานาทุกแห่งไม่มีจํากัดแต่ว่านาอันดีบ้างไม่ดีบ้างนั่นแลย่อมจํากัด กระทำพืชให้งอกงามบ้างไม่งอกงามบ้างตามเนื้อที่นั้นๆความดีก็ฉันเดียวกันอันบุคคลอาจหาได้ทําให้เกิดมีได้ทุกสถานทั้งไม่จํากัดว่าจะอยู่ในเพศคฤหัสถ์หรือบรรพชิตแต่คฤหัสถ์ผู้บริโภคกามก็หาความดีได้อย่างผู้บริโภคกามยังมีความดีที่สูงขึ้นไปจากความดีชั้นกามอีกเหมือนความสุข ก็มีเป็นชั้นๆเช่นสุขของสุนัขซึ่งกัดกินซากศพสุขของมนุษย์ผู้บริบูรณ์ด้วยกามคุณสุขของเทพซึ่งเป็นทิพย์และสุขของพระอริยเจ้าผู้ห่างไกลจากกิเลสลูกไม่ปรารถนาความดีเพียงเท่าที่คริหัดผู้หมกมุ่นอยู่ในกามจะพึงสแสวงหาได้เพราะยังมีความดีที่สูงกว่าประณีต ก, กว่าไม่เจือปนด้วยกองกิเลสและกองทุกข์ เป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขอันแท้จริงยั่งยืนกว่าตามสุขเหมือนความสุขของผู้ไม่มีโรคย่อมเป็นความสุขที่แท้จริงยั่งยืนกว่าสุขในการเกาขอบแผลด้วยเล็บในการย่างตัวที่หลุมฐานเพลิงของผู้เป็นโรคเรื้อนฉะนั้นความสุขที่ลูกต้องการนี้อันผู้บริโภค ก, กามไม่สามารถประสบได้เพราะฉะนั้นลูกจึงต้องขอลาออกประพฤติพรหมจรรย์ ดูก่อนพระดาท่านทั้งสองมองดูหน้ากันเป็นเชิงจะหาทางเบียงบายต่อไปอีกในที่สุดท่านบิดาได้กล่าวตัดบทว่าเจ้ายัางเป็นเด็กนันทิยะความคิดของเจ้าย่อมเป็นไปรุนแรงชั่วขณะจงไปคิดให้ดีอีกใหม่เวลานี้ก็ยังไม่สิ้นประทมมยามแห่งราตรีประทีปน้ำมันน้อยใหญ่ตามเสาริมถนนยังตามสว่างอยู่เจ้าจะเดิน เที่ยวเล่นดูการดีดพินขับรำระบำฟ้อนหรือพักผ่อนหาอาหารมีรถปริโภคในที่นั้นๆก็ยังได้บางทีจะช่วยให้เจ้าเปลี่ยนความคิดได้บ้างดูก่อนผู้สแสวงมักคาแห่งสานติข้าพเจ้าต้องจำใจกราบเท้าท่านหลีกออกมารู้สึกว่ามีอารมณ์ไม่สู้เป็นปกตินักข้าพเจ้าต้องการพักผ่อนจริงดังท่านบิดาว่า แต่ควรจะนอนดีหรือออกเดินให้ใจปลอดโปร่งดีในที่สุดตกลงใจว่าจะออกเดินเที่ยวสักครู่หนึ่งหลังจากเปลี่ยนเครื่องนุ่งหม่มและพวกผ้ายอย่างไม่สู้จะเรียบร้อยนักแล้วข้าพเจ้าก็จะออกจากประตูบริเวณประสาทสู่ถนนแต่ลาพังผู้เดียวแม้แสงประทีปจากเสาข้างถนนยังคงสว่างอยู่แต่ยวดยาและผู้คนเบาบางลงไปมาก ร้านขายเครื่องหอมเครื่องเทศและแพรผ้าเป็นต้นว่าขคมพัดกำพลพักกาศิกพักเริ่มปิดกันบ้างแล้วแต่ที่ขายของอื่นยังเปิดอยู่ก็มีเป็นอันมากข้าพเจ้าผ่านสถานที่แห่งหนึ่งมีหญิงฟ้อนผู้ย้อมเท้าด้วยครั่องสดกําลังยืนดีดพินเป็นเชิงท้าและเชิญชวนผู้เดินผ่านไปผ่านมาให้แวะเข้าไปในที่นั้น มองเข้าไปภายในเห็นมีผู้คนคับข้างกำลังส่งเสียงเอ็ดอึงบ้างพูดไม่ชัดบ้างนั่งขอพับคออ่อนด้วยอำนาจสุราบาลข้าพเจ้านึกสังเวชมนุษย์เหล่านั้นผู้อันปีศาจคือสุราสิงแล้วบังคับให้แสดงอาการวิกลวิการต่างๆอย่างปราศจากความอายเมื่อเลี้ยวถนนอีกสายหนึ่งซึ่งตรงไปยังท่าน้า แม้จะค่อนข้างมืดและสงัดเสียงผู้คนแต่ก็รู้สึกยินสบายเพราะลมอันพัดเฉืยมาจากท่าน้ําเสียงโครมครามคล้ายภาชนะตกลงหรือมีผู้ใดเจตนาคว้างตาในบ้านหลังหนึ่งใกล้ทางนั้นแล้วก็มีเสียงด่าทอลำเลิกเบิกประจานกันอย่างหยาบคายได้ความว่าสามีภรรยาทะเลาะ ก, กันด้วยเรื่องหนี้สินซึ่งไปกู้ยืมเข้ามา ข้าพเจ้ารีบเดินให้พ้นเสียงอันชวนให้เกิดความสลดในความเป็นอยู่ของผู้ครองเรือนไปได้สักเล็กน้อยก็ได้ยินเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นของคนหลายคนมาจากบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าจำได้ดีว่าเป็นบ้านของพ่อค้าทองแสงไฟในบ้านนั้นสว่างข้าพเจ้าแหวะเข้าไปเห็นคนหลายคนรวมทั้งในช่างทองนั้น กำลังร้องไห้อยู่ใกล้ๆสิ่งสิ่งหนึ่งอันคลุมด้วยผ้ามิดชิดเมื่อสังเกตดูแล้วก็พอจะเดาได้ว่าสิ่งนั้นเป็นคนแน่ๆและต้องเป็นคนที่ตายแล้วด้วยขอข้าพเจ้านั่งลงที่ชานเรือนนายช่างทองเดี๋ยวมาพบก็ทักทั้งน้ำตาว่าอ้อพ่อทันทินทยะข้าพเจ้าทาความเคารพแล้วถามถึงผู้ที่สิ้นชี p น, นข้าพเจ้าเกือบไม่เชื่อว่า นายช่างทองจะพูดจริงในเมื่อได้ยินว่าศพนั้นคือนางสิริวดีทิดาของเขาซึ่งยังอยู่ในวัยเดียวกับข้าพเจ้าตายลงด้วยเจ็บเป็นไข้ได้สองวันเท่านั้นดูก่อนพระรดอนแล้วใครเล่าที่หนีความตายไปพ้นถึงแม้ว่าผู้นั้นจะยังเป็นหนุ่มเป็นสาวมีกำลังร่างกายเจริญวัยพยานอันประจักษ์อยู่แก่ตา บัตรนี้มิได้แสดงให้เห็นชัดดอกหรือว่าเยาว่าแต่ทรัพย์สมบัติที่บุคคลจะนำติดไปไม่ได้เท่านั้นเลยแม้ร่างกายอันเป็นที่รักยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติใดๆก็นำไปด้วยไม่ได้เช่นเดียวกันข้าพเจ้าเคยได้ยินเขาพูดกันว่าระหว่างความสิ้นลมปรานของยาจกกับพระราชานั้นไม่มีอะไรเป็นพิเศษกว่ากันเลยยิ่งกว่านั้นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ดูเหมือนว่ามนุษย์เราไม่มีหน้าที่อะไรอันหนักที่สุดเท่ากับการเป็นทาสหาเลี้ยงนปนปปือร่างกายของตนตลอดถึงบุตรภรรยาอย่างไม่มีเวลาสิ้นสุดได้จริงๆจนตลอดชีวิตแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้การที่ข้าพเจ้าคิดจะตัดกังวลออกบวชเพื่อสแสวงหาความไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกนั้นข้าพเจ้าจะควรลังเลใจอะไรต่อไปอีก ว่าควรหรือไม่ควรดูก่อนพระดาความตัดสินใจภายหลังที่ได้สดับพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั้นยังมั่นคงดีอยู่เสมอและดูเหมือนจะแน่นแฟรยิ่งขึ้นในเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นได้ฟังเหตุการณ์อันชวนที่เกิดสรดสังเวชหลายสิ่งหลายอย่างชั่วเวลาเพียงเล็กน้อยข้าพเจ้าลานายช่างทองกลับไปประสาท ประมาณเวลาเกือบมัชชิมายามแห่งราตีและนอนหลับอย่างไม่ค่อยสนิท ด, ดีนักในคืนนั้นวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าไปหามารดาปิดาแสดงความจำนงขอลาออกบรรพชาในพระศาสนาดังเดิมอีกเมื่อท่านยืนกรานไม่อนุญาตข้าพเจ้าก็ไม่มีทางที่จะทำอย่างอื่นได้นอกจากเข้าห้องนอนและตั้งใจว่า จะไม่บริโภคอาหารจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้บวชหรือขาดใจตายไปเพราะความหิวแม้มันดาจะอ้อนวอนสักเท่าไหร่ข้าพเจ้าก็คงปฏิเสธไม่ยอมดื่มอะไรนอกจากน้ำดูก่อนพระรดาทุกขเวทนาอันเกิดเพราะความหิวนั้นเป็นอย่างไรบ้างท่านคงตระหนักดีแล้วแต่ในสมัยที่ท่านยังเป็นโจรเที่ยวฆ่าฟันมนุษย์ต้องอดอยากหลายวันในแคว้นโกสนนี้ กายของข้าพเจ้าสั่นละอ่อนพรียยิ่งหลังจากที่อดอาหารได้สองวันมารดาของข้าพเจ้าร้องไห้ได้ความสงสารครั้งแรกท่านงคงนึกรั้นเห็นว่าข้าพเจ้าอดได้จริงๆก็เดือดร้อนกังวลยิ่งนะักในที่สุดท่านก็ตกลงใจที่จะเห็นข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ต่อไปมากกว่าจะยอมให้ตายลงเพราะความหิวท่านทั้งสองจึงให้คนใช้นําอาหารอ่อนมา แล้วเรียกให้ข้าพเจ้าบริโภคพร้อมทั้งบอกอนุญาตให้ข้าพเจ้าบวชได้ดังประสงค์ เดี๋ยวคราวหนะ้ามาต่อกันสุดท้ายอีกหน้าอีกสองหน้านะคะคือไม่อยากจะให้เวลาล่วงเลยเวลาตีห้านะคะก็เลยจะต้องหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะคะป<ม>ร่มกาสาวพัทตอนบทที่ชื่อว่าพรมรรจา น, นี้เพื่ออะไรเดี๋ยวคราวหนะน้าพฤหัสบดีหน้าเรามาต่อกันค่ะก็เป็นประวัติของนันทยิยะที่เป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนารูปหนึ่งนะคะที่บวช อยู่ในใต้ร่มกาสาวพัทแล้วก็เล่าประวัติให้กับองค์คุลิมานฟังค่ะก็พระองค์คุลิมานก็ก็โปวดแล้วเช่นกันนะคะหนังสือใต้ร่มกาสาวพัทก็เป็นผลงานของท่านอาจารย์สุชีปุญญานุภาพค่ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะทิ้งท้ายไวท้ที่เรื่องราวของเรื่องสั้นนะคะนิทานเซนเนื้อติกกระดูกที่ท่านอาจารย์เสถียรพงวรรณปกท่านแปลมานะคะ บทนี้ชื่อว่าเสียงของมือข้างเดียวอาจารย์โมกุไรหรือสายฟ้าเงียบสมพานวัดเคนนินมีลูกศิษย์เล็กๆคนหนึ่งชื่อโตโยอายุเพียงสิบสองขวบทุกเช้าเยน็นโตโยเห็นบรรดาศิษยานุศิษย์รื่นที่มาหาอาจารย์เพื่อรับคำสอน เกี่ยวกับเซนหรือมาขอโกอานไปขบคิดจึงแจ้งความจำหนงอยากปฏิบัติเซนกับเขาบ้างอาจารย์โมกุไรบอกเขาว่ารอไว้ก่อนเธอยังเด็กนักแต่สิรุ่นจิ๋วคนนี้ก็อ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าจนอาจารย์รับปากจะสอนให้เย็นวันนั้นเมื่อได้เวลาเหมาะหนูน้อยโตโยจิงไปยังธรณีประตูห้องของอาจารย์โมกุไรตีค้องสัญญาณว่า ตนมาถึงแล้วพร้อมกับก้มกราบอย่างนอบน้อมสามครั้งอยู่ที่นอประตูเสร็จแล้วจึงเข้าไปนั่งอย่างสงบเสงีง่ยบอยู่ต่อหน้าอาจารย์อาจารย์ตบมือแล้วถามเขาว่าเวลาตบมือสองข้างเสียงจะดังอย่างนี้เวลาตบมือข้างเดียวเสียงจะดังอย่างไรโตโยกโก้มกราบอาจารย์แล้วกลับไปยังห้องของตนเองเพื่อขบคิดโกอา่านพลันเธอก็ได้ยินเสียงดนตรีที่พวกเก อ, อิชาเล่นลอดหน้าต่างห้องเข้ามาอา่า เรารู้แล้วพ่อหนูน้อยอุทานเย็นวันต่อมาเมื่อถูกอาจารย์ถามถึงเสียงของมือข้างเดียวที่ให้ไปคิดหนูน้อยก็เริ่มเรียนเสียงดนตรีของพวกเกียรชาให้อาจารย์ฟังไม่ใช่นั่นไม่ใช่เสียงมือข้างเดียวเธอยังไม่เข้าใจเลยอาจารย์ตำหนิคราวนี้พ่อหนูน้อยโตโยคิดว่าเสียงดนตรีอาจรบกวนใจไม่ให้สงบพอที่จะขบคิดปริศนาได้จึงย้ายที่อยู่ใหม่ไปนั่งคิดอยู่คนเดียวเงียบ ทันใดนั้นเสียงน้ำหยดติ้งดังผ่านความเงียบเข้ามาอ้ารู้แล้วพ่อหนูน้อยคิดติ้งติ้งติ้งเขาเรียนเสียงหยดน้ำเมื่อเข้าไปอยู่ต่อหน้าอาจารย์อะไรของเธอติ้งติ้งติ้ ง, งอาจารย์ถามนั่นมันเสียงน้ำหยดนนาไม่ใช่เสียงมือคิดอย่างไรอย่างไรก็ไม่สามารถได้ยินเสียงมือข้างเดียวสักทีทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงลมพัดจึงคิดว่าใช่แน่คราวนี้แต่เมื่ อ, อรายงานอาจารย์อาจารย์บอกว่าไม่ใช่อีก พ่อหนูน้อยได้ยินเสียงนกเข้าแมวไปเรียนเสียงต่อหน้าอาจารย์ก็ถูกอาจารย์ปฏิเสธอีกว่าเสียงของมือข้างเดียวไม่ใช่เสียงของสัตว์มีปีกใดๆสิบกว่าครั้งที่เขาไปหาอาจารย์แต่ละครั้งก็เรียนเสียงที่ได้ยินมาปแปลกๆไม่ซ้ํากันแต่ก็ผิดทุกทีหนูน้อยได้พยายามอยู่เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีจนในที่สุดขณะที่เขานั่งขบคิดอยู่ในจิตของเขาได้เข้าถึงความสงบแท้จริงล่วงพ้นเสียงทั้งปวง เขาบอกอาจารย์ว่าผมไม่นึกวาดภาพอะไรอีกแล้วผมได้ยินเสียงที่ไม่มีเสียงวงเล็กความเงียบแท้จริงแล้วโตโยได้รู้แจ้งเสียงของมือข้างเดียวแล้วก็คือคิดไปคิดมาจนเป็นสมาธิเลยนะคะ แล้วก็ทิ้งท้ายที่หนึ่งนาทีเพื่อชีวิตของพระธรรมกิติวงศ์นะคะท่านบทนี้ท่านให้ข้อคิดว่าคนที่ควรยกย่องนับถือค่ะคนฉลาดย่อมเก็บความฉลาดความเข้มแข็งความรอบรู้และคุณธรรมของตนไว้ข้างในแต่แสดงความอ่อนนอกให้คนเห็นคือเป็นคนอ่อนนอกแข็งในผิดกับคนเขามักอวดความแข็งกระด้านออกมาข้างนอก แต่ข้างในอ่อนแอไม่จริงจังอะไรคือเป็นคนอ่อนในแข็งนอกในคนสองประเภทนี้คนประเภทแรกเท่านั้นที่คนทั่วไปควรนิยมยกย่องและให้เกียรติค่ะวันนี้ดิฉันอัญชิสาลิกิจที่รุ่งเรืองต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพร้อมกับคุณสศิธรกูวังคดีโลกเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพระสบดีหน้าแต่ว่าส่วนอักษร ยังมีทุกวันนะคะวันพรุ่งนี้พบกับคุณออนกมลเทพานน์อย่าลืมที่จะใส่บาตรธนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ทาความดีนะคะก่อนที่เวลานั้นจะมาพลากชีวิตของเราหรือว่าเขาเรียก ว, ว่าพลากสังขารของเราไปสังขารที่เราจะทำความดีงามได้ดีที่สุดวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ